มงคลชีวิตมงคลที่34การทำให้แจ้งพระนิพพานนิพพานาสัจจิกิริยาจากเอตามังคลมุตตมังที่ชื่อว่านิพพาน เพราะออกจากวานนะคือตันหาเครื่องร้อยรัดได้การทำให้แจ้งชื่อว่าสัจฉิกิริยาการทำให้แจ้งนิพพานจึงชื่อว่านิพพานสัจฉิกกิริยาลักษณะของนิพพาน 1. คือความสิ้นตันหา 2. คือจุดจบของความทุกข์ 3. คือความดับแห่งภพชาติการเกิด 4. คือความไม่แก่ไม่ตายเป็นต้นภาวะของผู้บรรลุนิพพานแล้ว 1. ภาวะทางปัญญาทำให้มองสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็น หรือเห็นตามความเป็นจริงรู้เท่าทันธรรมดาของสังขารเห็นข้อดีว่าเป็นข้อดีข้อเสียว่าเป็นข้อเสียเป็นต้น 2. ภาวะทางจิตทําให้จิตเป็นอิสระจากกิเลสไม่ตกเป็นทาตของอารมณ์ที่เย้าวยวนและยั่วยุหรือจิตไม่สะดุง้งหวั่นไหวเป็นดุษเสาเคืองคือมั่นคง 3. ภาวะทางความประพฤติหรือการดำเนินชีวิตผู้บรรลุนิพพานแล้วจกเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์ไม่มีความประพฤติเสียหายเป็นผู้ทำการงานโดยปราศจากกิเลสเป็นปัจจัย ก, การทำให้แจ้งพระนิพพานจัดเป็นมงคลเพราะ 1. เป็นผู้ไม่เป็นเวรภัยกับใครๆ 2. เป็นผู้พ้นความทุกข์อันเกิดจากกิเลส 3. ทํทำให้ชีวิตดำเนินไปด้วยความสุขทุกเมื่อ 4. ดํดำเนินชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทอย่างสม่ำเสมอ